ลำดับที่เจ็ดเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2553โดยพระครู ธ, ธรรมทอนคันชิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์นี้โยมก็ได้ปฏิบัติกรรมฐ า, านกันประมาณหนึ่งชั่วโมงวันนี้เราจะได้มาคุยกันต่อเกี่ยวกับอุบายในการระงรับความโกรธว่าอุบายระงรับความโกรธที่เหลือมีอะไรบ้างทบทวนกันนิดหนึ่งอุบายในการระงรับความโกรธในคราวที่แล้วที่อาตมาได้พูดถึงก็จะมีในเรื่องของการเล็กนึกถึงพระจริยาของพระสมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ได้เล่าให้ฟังในเรื่องของตอนสมัยพระชาติเสวยพระชาติเป็นกษัตริย์เป็นพระราชกุมารอย่างนี้เป็นต้นนะพระเจ้าศีราวะธรรมปาละนะธรรมปาละรวมไปถึงในเรื่องของอความเสียสละของพระองค์วันนี้จะมากล่าวถึงต่อในเรื่องของพระเจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจา้าว่าเวลาเรามีความโกรธเกิดขึ้น เราลองนึกถึงซิพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้รับความทุกข์มากนะมากกว่าเราตั้งเยอะตั้งแยะท่านยังไม่กโกรธท่านยังไม่อาคตาิเคียดแค้นในที่นี้จะเอาเรื่องตอนที่สวัสสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นะแล้วก็เกิดเป็นสัตว์นะว่าแม้แต่กระทั่งท่านเกิดเป็นสัตว์นะท่านเองก็ยังมีน้ำใจไม่เคยคิดโกรธไม่คิดอาคตาิเคียดแค้นเลย เาราลองมาฟังเรื่องราวต่างๆตรงนี้เถอะเรื่องแรกนั้นในสมัยหนึ่งนะตอนที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระยาช้างที่ชื่อว่าพระยาช้างฉัตรทันพระยาช้างฉัตรทันนี้เป็นพรยาช้างที่มีงาสวยงามมากมีงานั้นส่องประกายนะมีสีเจ็ดสีนะส่องประกายเป็นสีเจ็ดสีเป็นงานที่สวยงามมาก ในสมัยนั้นเนี่ยพระมเหสีพระมเหสีของพระเจ้ากาสีอยากจะได้งาช้างนี้จึงใช้ให้ในายพรานออกตามล่าพญาช้างฉัดรทันพญาช้างฉัตรทันก็ไม่อยากจะให้ในายพรานนั้นต้องมาทำร้ายตนก็พยายามหลบหนีไปแต่ว่าสุดท้ายก็โดนนายพรานนั้นเอาลูกศร อ, อาบยาพิษยิงยิงโดนเข้าที่สะดือ โยมลองนึกถึงสิสะดือนั้นเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากอย่าสะดือของโยมนะโยมลองลองรูปดูมันจากกะจักกะจีแล้วโยมลองนึกถึงสิเอาแค่ใครเดิใครใครเคยโดนหมากัดแล้วโดนฉีดยารอบสะดือบ้างจะรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนนะอันนี้โดนลูกสอนอาบยาพิษยิงเข้าที่สะดือได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมาก พยาช้างฉลาดทันนั้นถ้าจะทำร้ายนายพรานเนี่ยวิ่งเข้าไปกระทืบในในายพรานสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ท่านกลับไม่ทำนะพยาช้างฉลาดทันกลับหันมาพูดกับนานยพรานนะบอกว่าพ่อสหายเอย๋ยนี่ท่านต้องการอะไรหรือท่านยิงเราเพราะเหตุสิ่งใดหรือการที่ท่านมาณที่นี้แล้วทำแก่ข้าอย่างนี้ไม่ใช่ด้วยอานาจของท่านเอง ดังนั้นการพยายามทำเช่นนี้ท่านทำเพื่อพระราชาองค์ใดหรือเพื่อมหาอมาตย์คนใดหรือคือแม้กระทั่งถูกทำร้ายอย่างนี้พยายามช้านัดทันยังเห็นใจยังใช้ปัญญาในการคิดพิจารณาไม่ใช่โกรธแล้วก็ไปทำร้ายตอบทันทีคือที่เขามาทาร้ายเนี่ยแสดงว่าต้องมีจุดประสงค์ท่านกลับมองในแง่ดีว่า ตัวในพรานเองเนี่ยคงไม่มีวัตถุประสงค์ร้ายต่อพระองค์หรอกแต่คงจะต้องถูกใช้มาถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างไรซะถ้าเรารู้ความต้องการว่าทำไปเพื่ออะไรก็จะได้ไม่มีความโกรธแค้นต่อกันถ้าอะไรให้ได้ก็จะให้ยอมเสียสละในใจพญาช้างชัดทันคิดอย่างนี้พอพระพญาช้างฉัดทันถามอย่างนี้นายพรานก็ตอบออกมาด้วยความรจริงบอกว่า ท่านผู้เจริญพระราชเทวีของพระเจ้ากาสีได้ทรงส่งข้าพระเจ้ามาเพื่อต้องการงาของท่านคือจริงๆไม่ได้อยากฆ่าหรอกแต่อยากได้งาแต่ถ้าไม่ฆ่าก็จะไม่ได้งาธรรมดาช้างนั้นหวงแหนงาของตนเองมากพญาช้างฉัตรทานได้ยินดังนั้นไม่อยากให้เกิดการจองเวรกันด้วยใจที่เอื้อเอ็นดูต่อในพรานไม่อยากให้ในายพรานทําสิ่งที่ชั่วร้ายเสียหายไปมากกว่านี้ก็เลยบอกให้ในายพรานนั้นมาตัดเอางาของท่านไป ไม่ได้หวงแหนในงานนั้นเลยแต่ไม่อยากให้ในพรานนั้นก่อกรรมหนักมากขึ้นไปกว่า น, นี้ในพรานก็เลยตัดเอางานทั้งสองที่มีค่ามีความงานดุดดังทองธรรมชาตินั้นไปไปมอบให้กับพระราชเดวีของพระเจ้ากาสีนี่ขนาดว่าสิ่งที่อยู่ติดตัวของพญาช้างเลยนะเทียบได้กับอวัยวะเลยใช่ไหมเทียบได้กับอวัยวะเลยยังยอมสละได้แต่ไม่ทําร้ายไม่ยอมให้เกิดความโกรธ เพราะว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาคือพุทธภูมินั้นมีค่ามากกว่าเพียงแค่งาแค่นี้ยอมสละได้แต่ไม่ยอมให้เกิดอกุศลขึ้นมาในจิตใจนี่เป็นตัวอย่างเราละโดนทำร้ายขนาดนี้ไหมโดนเบียดเบียนขนาดนี้หรือเปล่าแล้วฉนัยเราจึงยังโกรธเล่าให้คิดไว้อย่างนี้เลยนะเรื่องที่สองเป็นเรื่องของพยากระบี รู้จักแมกพยากระบีคือพยาลิงนะพยาลิงพยากระบีนี้เป็นพยากระบีโพธิสัตว์มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพยาลิงนั้นไปเห็นไปเห็นชายคนหนึ่งตกลงไปที่หน้าผาชายคนนี้ตกลงไปที่หน้าผาเพราะเดินทางไกลและไม่รู้จากหนทาก็พลาดตกลงไปที่หน้าผาพยาเลิงเห็นอย่างนั้นด้วยใจที่นึกเอ็นดูนึกสงสารกลัวจะตกลงไปตาย ก็เลยเข้าไปช่วยชายคนนี้พอช่วยชายคนนี้ได้พ้นจากหุบเหวหรือหน้าผานั้นชายคนนั้นกลับคิดไม่ดีคิดทรยศต่อพยาวานอนในใจของเขาคิดอย่างนี้ว่าลิงนั้นย่อมเป็นอาหารของมนุษย์ได้ฉันเดียวกับพวกเนื้อมลึกก็คือพวกกวางเก้งในป่าประเภทอื่นๆ ถ้าอะไรเราหิวขึ้นมาแล้วจะพึงข่าวานอนนี่กินเป็นอาหารครั้งกินอิ่มแล้วจะเอาเนื้อที่เหลือไปเป็นเสบียงเดินทางเราก็จะข้ามพ้นทางทุรกันดารไปได้เนื้อนี้จะเป็นเสบียงของเราเป็นยังไงความคิดเขาช่วยชีวิตตนเองแล้วแทนที่จะมีความกตันยูกตะเวทีนึกถึงบุญคุณที่พยาวะพยาลลงนั้นได้ช่วยตนเองกลับไม่นึกถึง กลับคิดร้ายกลับทำร้ายอีกพอนึกได้อย่างนี้ก็เลยดูจังหวะพอพยาวานอนเผลอท่านั้นก็หยิบเอาก้อนหินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วทุบเข้าไปที่ศีรษะพยาวานอนอย่างเต็มที่เลยพยาวานอนเป็นยังไงโดนทุบเขาอย่างนั้นก็เจ็บปวดเลือดอาบเป็นยมยมจะทำยังไงช่วยชีวิตเขาแต่เขามาทำร้ายเอาหินทุบหัวตัวเองเนี่ยพยาวานอนนั้นเป็นสัตว์ที่มีกำลังมาก ถ้าจะฆ่าในพรานศีลตั้งแต่ตรงนั้นก็สามารถทำได้แต่พยาวานนนั้นกลับจ้องมองดูชายคนนั้นด้วยน้ำตาที่นองหน้าที่น้ำตาที่นองหน้านี้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะเจ็บหรือเพราะโกรธแค้นแต่เพราะนึกกรุณาชายคนนี้นึกสงสารชายคนนี้ว่านี่ขนาดเป็นผู้มีพระคุณช่วยเหลือเขาเขายังคิดร้ายได้ ต่อไปถ้าจะไปทำอย่างนี้กับคนอื่นแล้วเนี่ยชายคนนี้คงจะต้องเดือดร้อนหรือไม่ก็ถูกฆ่าตายแน่ๆนี่คือความมีน้ำใจความกรุณาของพระโพธิสัตว์ไม่ได้โกรธแค้นแต่นึกสงสารความไม่รู้ของชายคนนี้ความที่ไม่คิดถึงบุญคุณของคนที่ทำให้ก่อนของชายคนนี้โอ้ชายคนนี้เป็นคนที่น่าสงสารมากท่านนึกได้อย่างนั้นก็เลยพูดพูดกับชายคนนี้ด้วยความปรารถนาดีว่าอย่านะท่าน ท่านเป็นแขกสําหรับข้าพเจ้าท่านยังสามารถทํากรรมอันหยาบช้าธารุนทํามนองนี้ได้ท่านยังจะอยู่ไปอีกนานควรจะช่วยห้ามคนอื่นๆเขาเสียด้วยเพราโพธิสัตว์นั้นไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายเลยแต่ไมีจิตคิดปรารถนา ด, ดีกลับสั่งสอนชายคนนี้ว่าอย่าไปทําอย่างนี้กับคนอื่นอีนอกนะแล้วก็อย่าไปบอกกับคนอื่นๆให้ทําอย่างนี้ไปชักชวนให้เขาอากตัญญูอย่างนี้ต่อผู้มีพระคุณ เพราะไม่เชนั้นต่อไปเขาเตือนร้อนแน่ๆท่านเห็นว่าชายคนนี้ขาดปัญญานั่นเองจึงพยายามให้ปัญญาสั่งสอนเขาให้รู้ให้เข้าใจแค่นั้นยังไม่พอนอกจากนั้นไม่มีจิตคิดประทุสรายแล้วเห็นชายคนนี้เป็นห่วงกังวลว่าจะออกจากป่าออกจากทางธนกรดานี้ไม่ได้ทั้งๆที่ตนเองบาดเจ็บนั่นแหละกลับช่วยนําทางชายคนนี้ออกจากป่านั้นไปสู่เมืองที่อันปลอดภยัยแล้วเราละ่ะ เราโดนอย่างพยาวานอนโพธิสัตว์หรือเปล่าเราไม่ได้โดนหนักขนาดนั้นเรายังคิดร้ายกับเขาอยู่อีกหรือเราจะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ในเมื่อเราจะเอาท่านเป็นแบบอย่างนี่พยาวานอนนั้นตั้งขนาดถูกทาร้ายยังเต็มใจช่วยเหลือเขาเราหรัดเต็มใจช่วยเหลือเพราะเลงเห็นว่าเขายังขาดปัญญาอยู่ เจตนาเขายังไม่ดีเพราะเขายังขาดความรู้ความเข้าใจหรืออาจจะมีความคิดที่ผิดไปชั่ววูบชั่วขณะเราช่วยเขาแก้ไขไหมแหมอันนี้ฝากให้โยมไปคิดนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำอะไรเราเนี่ยมไม่ได้หนักขนาดนี้หรอกนะเชื่อเถอะอยู่ในสังคมเนี่ยไม่ได้หนักขนาดนี้หรอกแล้วเราจะโกรธขึ้นขึ้นมานั้นมันสมควรแล้วหรือนหอันนี่เป็นเรื่องของพยาบาลนอน อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพญานาภูริทัตตะเคยได้ยินไหมพญานาภูริทัตตะคือใครเอ่ยคือพระโพธิสัตว์อยู่ในทศบารมีในในบาลมีสิบตอนที่พระสิบพระชาติสุดท้ายที่พระพุธทธเจ้าทธรรมเพ็ิบารมีท่านถืออุโบสถศีล ไม่คิดทำร้ายผู้อื่นเลยพญานาคผูริทธตาในเรื่องราวก็มีว่าพญานาคภูริทธตะนั้นได้ถืออุโบสถศีลก็คือศีลแปดแล้วก็ขึ้นไปขดอยู่บนจอมปลวกอยู่บนยอดจอมปลวกไม่ทำร้ายใครแต่ปรากฏว่ามีหมองูนะเป็นพรามพรามหมองูนั้นมีโอสถที่เป็นพิษ เหมือนกับเป็นผงนั่นแหละเอาไว้ที่เขาไว้สำหรับจับงูวิธีการก็คือเขาจะสาดผงนี้ใส่งูพรามที่เป็นหมองูนี้ก็เอาผงที่มีพิษนี้สาดเข้าใส่พญานาคภูริทตะพญานาคเมื่อโดนผงพิษนี้ก็ปวดแสบปวดร้อนลงไปนอนดิ้นเกลือ ก, กิ้งกิงแทนที่พรามที่เป็นหมองูนั้นจะปรานีหรือสงสาร กลับเอาเท้ากระทึบซ้ำเพื่อให้พญานาคนั้นอ่อนกําลังลงพญานาคนั้นถ้าจะทำนะก็สามารถฆ่าหมอ ง, งูนั้นได้โดยการพ่นพิษที่ร้ายกาศออกมาแต่ไม่ทําไม่มีจิตคิดประทุษร้ายเลยขนาดเขาเอายาพิษโรยใส่ตัวของตนตัวเองแล้วก็เอาเท้ากระทืบซ้ำ อันนี้เรียกว่าทำร้ายร่างกายอย่างหนักเลยจนกระทั่งพญานาคอ่อนแรงลงแล้วก็จับพญานาคนี้ใส่ข้องเล็กๆแล้วก็เอาไปให้คนดูทั่วทั้งชมพูตวีปพญานาคภูริทตะนั้นไม่แม้แต่จะคิดโกรธหรือคิดขุนเคืองหมองูคนนี้เลยหมองูคนนี้ชื่อว่าอารัมพนะพญานาคนั้นไม่เคยคิดโกรธเลย ดังที่มีในพระบาลีในพระไตรปิฎกว่าเมื่อหมองูชื่ออาลัมพานะจับเรายัดใส่ข้องเล็กๆ ก, ก็ดีย่ำเหยียบเราอยู่ด้วยส้นเท้าเพื่อให้อ่อนกําลังลงก็ดีเราไม่ได้โกรธเคืองในหมองูอาลัมพนะนั้นเลยทั้งนี้เพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดกระทุ่งกระแท่นไปเพราะสิ่งที่ท่านปรารถนานั้นสูงมากกว่านั้นสูงมากกว่านั้นคือสูงมากกว่า เพียงแค่ในเรื่องของการรักษาร่างกายของท่านท่านปรารถนาจะช่วยสัรปสัตทั้นหมองูนี้ยังหลงผิดอยู่ถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็ไม่พึงทาร้ายเขานี่คือความมีเมตตาความกรุณาของพระโพธิสัตว์เราล่ะเราได้ทำอย่างที่พระโพธิสัตว์ได้ทำให้ดูเป็นแบบอย่างหรือยังแล้วเรื่องแค่นี้สมควรแล้วหรือที่เราจะมากรดขึ้น ที่เราจะคิดร้ายหรือคิดทําร้ายเขาอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันชื่อว่าพญานาคสังคปาละในครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคชื่อสังคปาละในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ถูกบุตรของนายพราน16คนด้วยกันเอาหอกอย่างแหลมคมนั้นแทงเข้าไปที่ลาตัวถึงแปดแห่ง น่าจะเอาหอกแหลมคมแทงเข้าไปที่ลาตัวถึงแปดแห่งแล้วก็เอาเครือวันหรือเอาเทาวันที่เป็นหนามร้อยเข้าไปตามรูแผลที่แทงนั้นๆยมลองนึกถึงเทาวันที่มีหนามแหลมนะเคยไหมอย่างต้นที่มีหนามแหลมแล้วแบบเราพลาดเดินไปแล้วก็ไปกระแทกหรือมือไปครูดเข้าเป็นยังไงเจ็บมากแต่นี้เทาวันที่มีหนามแหลมโดนหอกแทงแล้วเอาเาวันนี้ ร้อยเข้าไปในรูนั้นทะลุถึงกันแล้วก็ครูดออกมาไม่ต้องพูดถึงความเจ็บปวดทรมานของพญานาคสังคปกละแค่นั้นไม่พอเอาเชือกที่เหนียวนั้นร้อยเข้าไปที่จมูกร้อยแล้วก็ดึงออกมาที่จมูกจากนั้นบุตรของนายพรานทั้งสิบหกคนนั้นเอาเชือกเหล่านั้นนั่นแหละยึดเอาไว้แล้วก็ลากตัวพญานาคลากไปตามพื้นดิน เพราะฉะนั้นได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสทรมานมากพญานาคสังคปรละนั้นถ้าต้องการจะสังหารชายทั้งสิบหกคนนั้นไม่ได้ยากเลยเพียงแค่ท่านลืมตาขึ้นมาเท่านั้นไฟประลัยกันก็ย่อมเผาชายทั้งสิบหกคนนั้นไม่เป็นจุนไปแต่ท่านกลับไม่ลืมตาไม่โกรธไม่ลืมตาจ้องมองเพราะไม่คิดประทุสร้ายเลยแม้เขาทํากับท่านขนาดนั้นสมกับในคัมภีรชาดกนะ ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่านายอลารักเราอยู่จำอุโบสถศีลเป็นนิสทุกวันพระสิบสี่ขั้มและสิบห้าัคราวครั้งนั้นได้มีบุตรของนายพรานสิบหกคนพากันถือเชือกและบ่วงอย่างมั่นเหนียวไปหาเราแล้วเขาได้ช่วยกันร้อยจมูกเราชุดดึงเชือกที่ร้อยจมูกผูกตรึงเราทั้งหมดทั้งตัวแล้วแลกเราไปทุกใจหลวงถึงเพียงนั้นเราก็ยังอดกั้นได้ ไม่ยอมทำอุโบสถศีลให้กำเริบเศร้าหมองแล้วเราละโดนขนาดนั้นไหมใจเรายังคิดประทุษร้ายต่อคนอื่นอยู่หรือเปล่าถ้าเราทำอย่างนั้นเราได้ชื่อว่าปฏิวัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่อันนี้คือคำเดีงถึ ง, ถงพระจริยวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปางก่อนตั้งแต่สเวสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์พิจารณาอย่างนี้แล้วหายโกรธหรื อ, อยังเอ่ย บางคนพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หายโกรธอาจารย์สายหมายอีกก่อนท่านก็ทราบนะบอก อ, อแม้พิจารณาอย่างนี้นึกถึงพุทธประวัตินึกถึงตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ต่างๆยังไม่หายโกรธอีกถ้าทําอย่างนี้ยังไม่หายโกรธอีกท่านก็ให้อุบายในการบรรเทาวความโกรธอย่างที่เจ็ดประการที่เจดนะประการที่หกคือคํานึงถึงพระเจริญวัตดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประการที่7ก็โดยการพิจารณาความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัตในสังสารวัตอันยาวไกลนี้เราเกิดและตายมามากมายนับไม่ถ้วนเกิดเป็นสัรพสา์ทั้งหลายมามากมายนับไม่ถ้วนในสังสารวัตอันยาวไกลนี้เพราะฉะนั้นในสังสารวัตอันยาวไกลนี้เรากับทุกๆคนนั้นมีความสัมพันธ์กันมาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกของเราเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสอนเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้นั้นที่จะไม่เคยเป็นมารดากันไม่เคยเป็นบิดากันไม่เคยเป็นพี่น้องชายกันไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงกันไม่เคยเป็นบุตรกันและไม่เคยเป็นที่ดากันเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายเลย คือยากมากที่จะไม่มีความสัมพันธ์กันในรัษณะอย่างนี้พวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยอาจจะเคยเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นลูกกันมาก่อนแล้วทั้งสิ้นในสังสรารวัฏอันยาวไกลนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคิดได้อย่างนี้ท่านบอกว่าให้พึงส่งจิตให้คิดอย่างนี้ว่าในอดีตนะถ้าคนที่ทำให้เรากดนั้นเป็นผู้หญิงก็ให้คิดว่าในอดีตผู้หญิงคนนี้นะหรือคนคนนี้ อาจจะเคยเป็นมารดาคือเคยเป็นแม่ของเรามาในอดีตชาติในสังสารวัตอันยาวไกลนี้เขาเคยได้บริหารรักษาคันได้เคยกุมท้องเรามาตลอดระยะเวลา9เดือนถึง10เดือนเคยช่วยล้างเช็ดปัสสาวะอุจจาระน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นให้แก่เราโดยไม่รังเกียจเห็นสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเหมือนฝุนจันหอมช่วยประคองเราให้นอนอยู่ในระหว่างอก อุ้มเราไปด้วยซาเอลได้ทนุถนอมเลี้ยงเรามาเป็นอย่างดีให้ข้าวให้น้ำให้นมเราดื่มอุ้มและดูแลเราอย่างดีนะช่วยปลอบโยนในยามที่เราทุกข์เป็นห่วงเป็นใยดูแลรักษาเราในยามป่วยไขย้แต่มาบัดนี้หญิงคนนี้ หาก จ, จะด้วยความเข้าใจผิดด้วยการขาดสติด้วยคิดไม่ถึงจึงมาทำสิ่งที่ไม่พอใจเราเช่นนี้สมควรไหมที่เราจะโกรธสมควรหรือไม่สมควรไม่สมควรถ้านึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำให้เรามาในฐานะที่เป็นแม่ของเราให้ร่างกายให้ชีวิตให้การดูแลให้ความรักให้การเอาใจใส่เราสมควรแล้วหรือ ที่จะโกรธจริงคนนี้นึกได้อย่างนี้ความโกรธในใจย่อมบรรเทาบาบๆงหรือหมดสิ้นไปอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองถ้าคนที่มาทําร้ายเราหรือทําให้เราโกรธนั้นเป็นผู้ชายก็เห็นนึกว่าชายคนนี้เคยเป็นบิดาของเรามาเมื่อประกอบการค้าต้องเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารต้องไปด้วยอาศัยแพะเป็นประหนะันตและต้องเหนียวรั้งไปด้วยไม้ขอเป็นต้น แม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราขัน ย, ยามเกิดสงครามประชิดติดพันก็ต้องเอาตนเองนั่นแหละเข้าสู้รบเพื่อปกป้องครอบครัวบางครั้งต้องแล่นเรือผ่านมหาสมุทร<ม>เต็มไปด้วยพยายนอันตรายต้องทำกิจการอื่นๆล้วนแล้วแต่ทำได้ด้วยความยากลําบากพยายามสั่งสมทรัพย์ด้วยอุบายต่างๆด้วยหมายมั่นว่าจะใช้ทรัพย์สินเหล่านั้น เลี้ยงดูลูกๆก็คือเราให้เป็นสุขชายคนนี้ในอดีตชาติยอมเสียสละเพื่อเรามากมายขนาดนี้ยอมปกป้องดูแลเรายอมลำบากเพื่อเรามากขนาดนี้มาในชาตินี้เขาอาจจะขาดสติเขาอาจจะเผลอจึงทําให้เราโกรธจึงเกิดความกระทรบกระทั่งขึ้นกับเราสมควรหรือไม่ที่เราจะโกรธเขาเมื่อ น, นึกถึงบุญคุณที่เขาเคยทําให้กับเราในอดีตชาติในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้ยมว่าสมควรไหมอีกอย่างหนึ่ง บรรลุหรือหญิงคนนี้อาจจะเคยเป็นพี่น้องของเรามาก่อนหรือแม้กระทั่งเคยเป็นลูกของเรามาก่อนเราเคยดูแลเราเคยรักษาเข้าพระเข้าพงษ์เขาแต่มาชาตินี้เขาเกิดมาแล้วอาจจะด้ความหลงผิดหรือด้วยขาดสติจึงมากระทบกระทั่งทำให้เราโกรธควรแล้วหรือที่เราจะไปคิดร้ายกับเขาควรแล้วหรือที่เราจะไปทําร้ายเขา ควรแล้วหรือที่เราจะโกรธเขานี่คือคิดถึงความที่เราเคยมีความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัฏอันยาวไกลนึกได้อย่างนี้ความโกรธแค้นย่อมบรรเทาบาบาหรือว่าหายไปตอนที่นั่งอยู่นี้เนี่ยพี่น้องกันทั้งสิน้นะลองคํานวณดูเล่นๆไหมถ้าสมมตินะสมมติเริ่มต้นด้วยผู้ชายคนหนึ่งและผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนี้แต่งงานกันมีลูกออกมากี่คนดี3มคนก็นแล้วกัน มีลูกออกมาสามคนต่อมาลูกสามคนนี้ก็ออกไปแต่งงานแต่งงานแล้วก็มีลูกอีกสามคนเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามคูณสามเป็นเก้าอีกเก้าคนออกไปแต่งงานมีลูกอีกสามคนเป็นเท่าไหร่ละเก้าสามยี่สิบเจ็ดทั้งยี่สิบเจ็ดคนออกไปแต่งงานมีลูกอีกสามคนแต่คราวนี้นับให้ดีนะเริ่มต้นจากสองคนมีลูกสามคนลูกสามคนนี้เป็นญาติพี่น้องกัน สามคนนี้แต่งงานแต่ละคนมีภรรยาใช่ไหมเพราะฉะนั้นภรรยานั้นก็ลวมเป็นเท่าไหร่หกมีลูกอีกสามสามสามเก้าเก้าบวกหกเป็นเท่าไหร่เก้าบวกหกเป็นสิบห้านี่คือเจเนอเรชันที่สามใช่ไหมเจเนอเรชันที่หนึ่งคือพ่อแม่มีลูกสามคนอันนี้คืออันนี้เจเนอเรชันที่สอง เจเนเรชันที่สามเนี่ยสิบห้าคนนี้เป็นญาติพี่น้องกันทั้งสิน้นยกกำลังไปได้เรื่อยภายในไม่ถึงห้าสิบชั่วเจเนเรชันมีคนเป็นล้านแล้วลหละใช่หรือไม่ห้าสิบเจเนเรชันนี่ตีว่าเจเนเรชันละประมาณห้าสิบปีอันนี้คือนับตั้งแต่มีลูกนะไม่ได้นับถึงตายห้าสิบปีคุณห้าสิบนี่เท่าไหร่สองพันห้าร้อยปี ห้สิบเจเนเรชันเนี่ยโยมคิดง่ายๆสามยกกาลังห้าสิบอ่ะอันนี้คือคิดแบบง่ายที่สุดนะสามยกกําลังห้าสิบเนี่ยเป็นจานวนเท่าไหร่กี่ล้านลองไปคํานวณดูกันแล้วกันสามยกกําลังห้าสิบคิดอย่างง่ายๆอย่างนี้นะถ้าเป็นเลขสองสองยกกําลังสิบนี่เท่ากับหนึ่งพันยี่สิบสี่สองยกกาลังสิบนะเท่ากับหนึ่งพันยี่สิบสี่ สอยกกำลังยี่สิบนี้เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งพันยี่สิบี่คูณหนึ่งพันยี่สิบสี่หนึ่งพันคูณหนึ่งพันเป็นหนึ่งแสนนี่คือสองยกกำลังยี่สิบถ้าสองยกกาลังสี่สิบคือหนึ่งแสนคูณกับหนึ่งแสนหนึ่งแสนคูณกับหนึ่งแสนเป็นเท่าไหร่หนึ่งหมื่นล้านใช่หรือไมน่นี่คือแค่สองยกกำลังสี่สนะถ้ากับหนึ่งหมื่นล้าน หนึ่งมืล้านนี่มากกว่าประชากรในโลกตอนนี้ประชากรในโลกตอนนี้เท่าไหร่หกพันล้านอันนี้แค่มีลูกสองคนนะสี่สิบเจเนเรชันทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดหกสิบ ล, ล, ล้านคนไม่ใช่หกสิบะหกพันล้านคนเพราะสองยอกกําลังสี่สิบนี่เท่ากับหนึ่งหมืนล้านถ้ามีลูกสามคนนี่แค่สองยอกอยกลังสามสิบเศษๆก็ครบแล้วหนึ่งหมื่นล้านนี่คํานวณอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยเชื้อสายเดียวกันหมดแหละ ถ้านับย้อนหลังกลับไปประมาณสัก40เจนเนอเรชัน40เจนเนเรชันถ้าตีหนึ่งช่วงอายุก็50ปีก็ประมาณ 2,000 ปี 2,000 ถึง 2,500 ปีนับตั้งแต่พุทธกาลมานี่ถึงเราในปัจจุบันทุกคนพี่น้องกันหมดแล้วเออแล้วมานั่งทะเลาะ ก, กันเหรอมานั่งเอาเปรียบกันเหรอกับที่เป็นพี่น้องกันทั้งหมดเนี่ยนี่ไม่ได้นับในสังสารวัฏนีน่อันนี้คือนับแบบเฉพาะมนุษย์นะสังสารวัฏยาวไกลกว่านี้ เพราะฉะนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมาบอกว่าทุกคนเป็นญาติพี่น้องเป็นบุตรเป็นที่ดากันมาทั้ ง, งหมดทั้งดสินะ้นเนี่ะไม่ใช่เรื่องที่เกิดเลยจากความจริงเลยเข้าใจนะอ้าวถ้าทําอย่างนี้หายโกรธหรือยังเอ่ยยังนะ <laughs> บางคนโกรธมากยังไม่หายโกรธอาจารย์สมัยก่อนท่านก็เห็นใจท่านบอกว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วแม้กระทั่งว่าขนาดเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเคยเป็นพ่อแม่เคยเป็นลูกของเรามาก่อน มันก็ยังไม่หายโกรธนะเพราะสมัยปัจจุบันแม้กระทั่งพี่น้องก็ยังโกรธกันยังทะเลาะ ก, กันนะท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอุบายประการที่แปดให้พิจารณาให้เห็นถึงอานิสง์ของเมตตาก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเมตตากรรมาฐานหรือเมตตาฌานพิจารณาอย่างไรท่านบอกว่าให้พิจารณาอานิสง์ของเมตตาเจโตวิมุตติสิบอ็ประการ มีอะไรบ้างบุคคลเพื่อเมื่อเจริญเมตตามีจิตสงอบอยู่ในเมตตาฌานได้ย่อมได้รับอา น, นิสงค์คือได้รับประโยชน์1ิประการนี้คือข้อที่หนึ่งเมื่อจะนอนก็จะนอนอย่างเป็นสุขไม่กลิ้งไม่กลนหลับอย่างสนิทเหมือนกับเข้าสมาบัติมีลักษณะท่าทางเรียบร้อยงดงามน่าเลื่อมใสอันนี้คือถ้าเรามีเมตตาสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นกับเรา แต่ถ้าเราโกรธเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้ย่อมหายไปไม่ใช่หลับอย่างเป็นสุขอ่ะจะอยากหลับอย่างเป็นทุกข์นอนก็จะฝันร้ายใช่ไหมประการที่สองตื่นขึ้นมาก็จะตื่นขึ้นมาอย่างเป็นสุขคือตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทอดถอนหายใจไม่เซยิ่งหน้าไม่บิดไปบิดมามีหน้าตาชื่นบานเหมือนดอกปฐุมที่กําลังแย้มบานนี่คือประโยชน์ที่ได้ถ้าเราไม่โกรธแล้วมีจิตเมตตาต่อทุกทุกคนประการที่สาม ไม่ฝันร้ายคือไม่ฝันเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวเช่นพวกโจนรุมล้อมสุนัขไล่กัดหรือตกเหวฝันเห็นแต่นิมิต ท, ที่ดีงามเช่นไหว้พระเจดีทำการบูชาและฟังธรรมเทศนาเป็นต้นนะจะมีแต่ฝันดีฝันแต่สิ่งที่ดีงามเหล่านี้นะประการที่สี่เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย คือเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคนทั้งหลายเหมือนพวงไข่มุกที่ห้อยอยู่หน้าอกหรือดอกไม้ที่ประดับอยู่บนเสียนนะคือทุกคนเนี่ยเห็นเราก็จะย่ อ, ยอมชื่นชมย่อมรู้สึกเอินดูเราถ้าเราเป็นคนที่มีเมตายิ้มแย้มแจ่มใสให้กับทุกคนนะประการที่สี่เป็นที่รักของอ่าข้อประการที่ห้าเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลาย คือไม่ใช่เป็นที่รักของคนอย่างเดียวยังเป็นที่รักตลอดไปถึงเหล่าเทว า, ารักษ์ทั้งหลายด้วยผีสางเทวดาอารักย่อมเกิดความรักเกิดความปรารถนาดีกับบุคคลผู้มีเมตตามีจิตใจที่ดีงามไม่คิดประทุษร้ายใครเลยมีจิตใจที่ผ่องใสกับทุกๆคนปรารถนาดีกับทุกๆคนประการที่หกเทวดาทั้งหลายคอยเฝ้ารักษา คือเทวดาทั้งหลายย่อมคอยตามรักษาเหมือนมารดาบิดาคอยตามรักษาบุตรธิดามันคนที่มีเมตตาคนที่จิตใจดีงามบุคคลผู้มีความดีงามในจิตใจย่อมดูแลรักษาอุปมาเหมือนอะไรเหมือนโยมมีเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมีธรรมะอยู่ในใจถ้าโยมเห็นเด็กคนหนึ่งที่เขามีความกตัญญูกะตะเวทีมีจิตเมตตาไม่เคยคิดร้ายใครเลย ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันให้กับทุกๆคนแม้กระทั่งเขาเขาเองในฐานะยากจนเรามาวัดเขาก็าขนขวายช่วยเหลือช่วยยกของปัดกวาดเช็ดถูเขาไม่มีของให้เราแต่เขายังช่วยเหลือด้วยกําลังกายเจอหน้าก็สวัสดียิ้มแย้มแจ่มใสโ ย, ยมรู้สึกยังไงกับเขารู้สึกยังไงกับเด็กคนนั้นรู้สึกดีรู้สึกเอ็นดูต่อมาถ้าโยมรู้ว่าเด็กคนนั้นประสบครอะกรรมอาอาจจะเช่น ฐานะทางบ้านไม่ดีทำให้เขาไม่มีโอกาสได้เรียนต่อทั้งๆที่เขาอยากเรียนสมมตินะโยมรู้ข่าวนั้นแล้วยมจะทำยังไงนั่งเฉยๆได้ไหมช่างเขาอย่างนี้ได้ไหมโยมจะทำ ย, ยังไงยังไงโยมจะต้องช่วยใช่ไหมถ้าไม่ช่วยนี่โยมจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอจจัดใจรู้สึกเสียใจใช่หรือไม่ฉันในก็ฉันนั้น เทวดาทั้งหลายก็ย่อมรู้สึกกับผู้ที่มีเมตตาจิตยอย่างนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องให้ท่านมาช่วยด้วยคุณธรรมความดีในใจของท่านนั่นแหละจะทำให้ท่านต้องช่วยเราเองถ้าเราเป็นคนที่ดีแล้วก็มีเมตตาท่านเึิงบอกว่าเทวดาอารักษ์ย่อมคุ้มครองรักษาประการที่เจไฟยาพิษ หรือสาตราไม่กล้ำมกลายในตัวของเขาคือไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกวางยาพิษและไม่ถูกทำร้ายด้วยสาตราวุธเพราะหนึ่งไม่มีคนคิดร้ายสิ่งเหล่านี้จึงไม่เกิดขึ้นกับเขาสองคนที่อยู่รอบข้างย่อมช่วยกันดูแลป้องกันเขาใช่หรือไม่อย่างที่ยกตัวอย่างแม้กระทั่งเทวดาอารักษ์ก็ย่อมช่วยคุ้มครองดูแลเขา ประการถัดมาประการที่8จิตเป็นสมาธิเร็วคือเมื่อเจริญกรรมฐานจิตสําเร็จเป็นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิได้เร็วอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งโยมจะสังเกตเห็นว่าในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานนั้นอาตมามักจะเน้นย้ํากับโยมว่าในขณะที่เดินหรือขณะที่นั่งนั้นให้ทําด้วยความรู้สึกมีความสุขใช่ไม่ใช่ตั้งใจไว้ทุกขณะคือความสุขทุกขณะคือความดีงามนั่นคือการแผ่เมตตาให้ตัวเองอย่างหนึ่ง จะทำให้จิตโยมสงบได้ไวสําหรับบางคนอาจจะบอกว่าตอนเย็นมาในปฏิบัติกรรมฐานไม่ค่อยได้มันมีเรื่องกระทบกระทั่งเยอะเอาหลักเนี้ยมาใช้เลยก่อนที่เราจะนั่งกรรมฐานให้โยมตั้งจิตแผ่เมตตก่อนเลยหนึ่งเราจะทําคุณงามความดีตั้งใจไว้คุณงามความดีนี้ทําให้เรามีความสุขนะ ขอทอิคุณงามความดีเหล่านี้ให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะและผู้มีพระคุณทั้งหลายขอแผ่คุณงามความดีตั้งจิตเมตตาแผ่คุณงามความดีแผ่ความสุขออกไปให้กับทุกๆคนแผ่เอาอไปให้กับเทวดามานพรหมทั้งหลายแผ่เอาไปให้กับสรรพสัตว์อย่างที่เราฝึกเมตตากรรมาฐานโยมนั่งแผ่เมตาก่อนก่อนที่จะมาปฏิบัติกรรมาฐานเฉพาะพอปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นโยมค่อยกลับมาปฏิบัติกรรมาฐานเฉพาะ จะเป็นสมถกรรมฐานก็ตามวิปัสสนากรรมฐานก็ตามแล้วยมลองสังเกตดูจิตมันจะสงบเร็วมากสงบนิ่งแล้วไม่ค่อยฟุ้งซ่านไอเรื่องกระทบกระทั่งระหว่างวันเนี่ยมันแทบไม่จะเข้ามารบกวนเลยอันนี้ให้ทดลองเองนะอย่าเชื่ออาตมาทันทีถ้ายังไม่ได้ลองเองวันไหนรู้สึกปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานได้ไม่ดี ให้ยมตั้งใจแผ่เมตตาทำเมตตากรรมฐ า, านก่อนเลยประการที่สิบจะเป็นผู้ที่ไม่หลงทำการกิริยาคือไม่หลงตายแม้จิตเป็นอ๋อประการที่เก้าขอภั่ประการที่เกา้าผิวหน้าย่อมผ่องใสนะผิวหน้าย่อมผ่องใสคือหน้าตามีผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสเหมือนลูกตาลสุกที่หล่นจากขั้วใหม่ๆอย่างที่อัตมาม จะบอกกับโยไม่เสมอบอกว่าเนี่ยแหละเครื่องสอําอางของพระพุทธเจ้าคนเราเวลามีความสุขเนะี่ยลองดูสิผิวหน้าจะเปล่งปลั่งเลยใช่ไม่ใช่เราสังเกตก็ได้นะถ้าอย่างวัยรุ่นเนะี่ยลองดูนะใครเพิ่งมีแฟนใหม่ๆกําลังอีอ็อกกับแฟนเนะี่ยลองดูหน้าตาบานมันกระดองเลยใช่ไหมจะดูเขาดูสดใสดูผิวพรรณสดใสขึ้นมาทันทีเลยหรือใครที่เขาประสบความสําเร็จหรืออย่างเด็กช่วงนี้กำลังสอบเข้ามาหาวิทยาลัย ลองสอบเข้าได้สิกลับมาบ้านเนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องไปถามหรอกนะดูหน้าตาเขาจะรู้เลยใช่ไม่ใช่หน้าเนี่บานเลยนะยิ้มแฉ่งหน้าบานผิวพรรณผ่องใสเลยนั่นแหละขณะที่คนมีความสุขก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคนที่มีเมตตาก็จะมีลักษณะเช่นนั้นเช่นเดียวกันเพราะคนที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์จิตใจเขาย่อมผ่องใสมีความสุขผิวพัรร์ย่อมเปล่งปลัง่งพ่องใสอันนี้พ่องใสาจากภายในนะ ออกมาจากใจของเขาผ่องใสออกจากภายในผ่องใสแบบนี้คนที่อยู่ใกล้มีความสุขไม่เหมือนผ่องใสด้วยเครื่องสําอางหรือพวกเครื่องบํารุงผิวพวกนั้นมันจะผ่องใสแบบแห้งๆนะผ่งองใสแบบเทียมๆนะจะมีลักษณะยอย่างนั้นนะยอมลองดูสินะใส่เครื่องสําอางโอ้โหหน้าใสาแต่งหน้า ส, สวยเลยนะแต่พอทีนั่งกายแล้วไม่รู้สึกมีความสุขมันรู้สึกเหมือนดอกไม้พลาสติกอะ แต่ถ้าเป็นเมตตาแนละ้วมันไม่ใช่อยู่ใกล้แล้วเราจะรู้สึกแม้เขาไม่แต่งหน้ามันจะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแม้ได้คุยด้วยก็มีความรู้สึกมีความสุขเนี่ยลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ที่มีเมตตาผิวหน้าย่อมผ่องใสนะร่างกายย่อมผ่องใสคนที่อยู่ใกล้ย่อมมีความสุขนะและประการที่สิบไม่หลงทําการกิริยาคือไม่หลงตายนะจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่กับความดีงามอยู่ตลอด ใจเขาจะมีแต่เมตตายอยู่ตลอดเมื่อตายไปนั้นก็จะไม่ไม่ขาดสติไม่หลงทําการกิริยาในอันนี้ในเรื่องนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะมีโยมท่านหนึ่งนะออกชื่อท่านได้แนตะ่แต่ว่าท่านท่านเสียไปแล้วชื่อคุณจิตนาเป็นแม่ของคุณวิรัตคุณวิรัตปกติจะมาทุกวันอาทิตย์แต่วันนี้รู้สึกไม่ได้มานะมาบวชที่วัดเพิ่งบวชไปเมื่ อ, อรุ่นที่ผ่านมานี่เองคลาสิ้าไป ก็ฝึกกรรมาฐานเป็นประจำนะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเธอได้ทราบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมะเร็งระยะสุดท้ายนั้นค่อนข้างจะเจ็บมากะมีอาการปวดลูกก็เศร้าโศกเสียใจไม่รู้จะทํำยังไงนะก็ตั้งสติกันไม่ได้ตัวแม่นะ่ะไม่เท่าไหร่อ่ะตัวลูกน่ะหนักมากกว่าก็มาปรึกษาอาตมาก็เลยบอกว่าเอ้วยังนี้ก็กันเบื้องต้นให้แผ่เมตตาให้กันก่อน เริ่มต้นที่แผลเมตตาให้ตัวเองแล้วให้ลูกๆแผลเมตตาให้แม่ให้แม่แผลเมตตาให้ลูกแล้วให้เข้าไปฝึกกันฝึกกันได้ระยะหนึ่งไอ้ความเศร้าโศกเสียใจเริ่มหายไปรู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งที่ดีๆให้กับแม่ของเขาให้เขามีความสุขตัวแม่ก็อยากจะให้ลูกมีความสุขคราวนี้เรื่องของความเจ็บปวดเรื่องของแม่ป่วยไม่ป่วยอะไรยังไงแบบนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องรองไปแล้ว เรื่องที่สําคัญเรื่องที่เป็นหลักใหญ่ก็คือทําอย่างไรจะช่วยแม่อย่างอย่างดีที่สุดให้ท่านรู้สึกมีความสุขมากที่สุดได้นี่เมตตาจิตเกิดขึ้นแล้ตัวแม่ก็เหมือนกันปรากฏว่าเขากลับระงับความเศร้าโศกได้ลูกเตี๋ยนี้ไปหาแม่นะมีแต่ไปหามีแต่รอยยิ้มคุยกันในเรื่องดีๆช่วยการปฏิบัติกรรมาฐานอ่านหนังสือธรรมะหรือไม่ก็สวดมนต์ร่วมกัน ใจิตใจกลายเป็นอยู่กับความดีงามทั้งคู่เลยเนี่ยพอเมตตาจิตเกิดขึ้นสติมันกลับมารู้สึกถึงสิ่งที่ดีงามแล้วสิ่งที่น่าแปลกนะโยมท่นนมนานานี้เคยไปไปโยมจินนาณ์นี่เคยไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่กับคุณสิริอยู่ประมาณสิบครั้งด้วยกันลูกเนี่ยพาไปทุกปี <Okay. S 1> นะเธอก็จะอยู่อยู่สองอย่างหนึ่งถ้ามีความปวดเกิดขึ้นเธอก็สังเกตอาการปวดที่มันบีบคลายบีบคลายแล้วก็วางมันออกไป หรือไม่ก็ตั้งจิตแห่เมตตาเพราะฉะนั้นเวลาหมอหรือพยาบาลเข้าไปเยี่ยมคุณจิตนาเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เหมือนเข้าไปหาไ ม, ไม่ไม่เหมือนคนป่วยไม่เหมือนคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเพราะสีหน้าของเธอจะผ่องใสยอยู่ตลอดและมีรอยยิ้มอยู่ตลอดให้กับหมอและพยาบาลที่เข้าไปหมอก็ยังแซว บ, บอกว่าดูไม่เหมือนคนป่วยเลยนะแล้วผลที่เกิดขึ้นคืออาการปวดในช่วงแรกที่จําเป็นต้องฉีดยาแก้ปวดคือฉีดมอร์ฟีน พรากฏว่าเธอไม่ค่อยรู้สึกปวดเท่าไรแม้ความเจ็บเกิดขึ้นก็ไม่รู้สึกทุกข์ทรมาหลังจากนั้นแทบไม่ค่อยได้ฉีดโมฟีนไม่ฉีดยาแก้ปวดเลยไม่มีความปวดเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องที่น่าประทับใจก็คือว่าพอเธอป่วยมากเข้ามากเข้ามะเร็งมนลุกตามเป็นก้อนโตทำให้เธอไม่สามารถที่จะบังคับในเรื่องของการขับถ่ายได้ ถ้าลูกผู้หญิงอยู่ก็ไม่ไม่เท่าไร่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งลูกชายอยู่เพราะลูกชายอยู่แล้วเธอถ่ายออกมาพราะเธอบังคับไม่ได้พอถ่ายออกมาก็ไม่อยากให้ลูกชายรู้พอยอมนึกถึงสีพยมเป็นผู้หญิงเป็นแม่เป็นผู้หญิงแต่จะให้ลูกชายมาทําให้เนี่ยเธอก็รู้สึกอายลูกแต่ที่พอถ่ายออกมาเนี่ยมันก็มีกลิ่นออกมาลูกชายเอ๊ะไม่ได้กลิ่นอะไรก็ไปพริกตัวแม่ถึงก็เห็นว่ามีการขับถ่ายออกมาก็เลยต้องเช็ดทำลางความสะอาดให้ หลังจากวันนั้นปรากฏว่าแม่ไม่ยอมกินอาหารกินอาหารน้อยมากลูกก็พยายามให้แม่กินแม่ก็ไม่ยอมกินเบื่ออาหารแล้วเปลี่ยนอาหารให้ก็ไม่ยอมกินอีกจนตอนหลังมาคุยกันมันจึงมาทราบว่าแม่ไม่อยากให้ลูกต้องมาลำบากในการเช็ดทําความสะอาดลูกชายของเขาน่ารักมากลูกชายของเธอน้ารักมากรู้สึกจะคุณวรัตเนี่นแหละก็เลยพูดกับแม่บอกว่า แม่แม่กินให้เต็มที่เลยนะถ้าแม่อยากจะถ่ายออกมาแม่ถ่ายออกมาเลยแม่ถ่ายออกมานั่นแหละดีแล้วนะจะได้เป็นโอกาสเป็นโอกาสให้ลูกได้ตอบแทนพระคุณเป็นโอกาสให้ลูกได้ทำบุญด้วยการช่วยดูแลคุณแม่แม่แต่ตอนที่แม่ขับถ่ายออกมานี่แหละนั่นแหละเป็นโอกาสที่ลูกจะได้ทำบุญ แม่ถ่ายออกมาเลยนะแล้วแม่กินให้เต็มที่ให้ร่างกายแข็งแรงและให้ลูกได้มีโอกาสทำบุญเถอะคขาเลืกถึงแม่ตอนที่เขาเยังเด็กๆแม่นั้นก็เช็ดขี้เช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะให้กับเขาแต่ตอนนี้เป็นโอกาสที่เขาจะได้ตอบแทนให้กับแม่อย่างที่บอกว่าแม่เหมือนพระอรหันต์ของลูกนั่นแหละทำให้กับพ่อแม่เหมือนทำให้กับพระอรหรันต์ ก็พยายามปลอบโยนแม่แล้วก็บอกกับแม่อย่างนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ลูกจะได้ทําบุญนะขอให้แม่ให้โอกาสลูกเถอะคุณจินตนาได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าคงจะปลื้มใจหลังจากนั้นมาเธอก็กินอาหารตามปกติลูกก็ดูแลอย่างดีตามปกติไม่ได้รังเกียจในเรื่องของอุจจระที่แม่ขับถ่ายออกมาเลยทําอย่างนี้กันมาตลอดจนแม่กระทั่งวาระ ส, สุดท้ายตอนที่เธอจากไปโยมเชื่อไหมไม่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้น ลูกคนที่เฝ้าอยู่โทรบอกว่าเนี่ยแม่กำลังจะไปแล้วนะลูกๆ ก, ก็พยาพยามามาที่โรงพยาบาลนคลปรปฐมตอนนั้นไปพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลนคลปรปฐมเพราะดูแลแบบประคับประคองไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจหรืออะไรทั้งสิ้นถ้าไปให้ไปอย่างสงบปรากฏว่าลูกไปถึงเนี่ยแม่เสียชีวิตแล้วแต่สิ่งที่น่าแปลกคือมองดูไม่เหมือนคนตายเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆหลับไปอย่างสงบหลับไปได้รอยยิ้ม ญาติพี่น้องมาดูก็บอกเขาแปลกใจไม่มีอาการทุรนทุรายหรืออะไรเลยมันคนนอนหลับหลับสบายยิ้มหลับสบายไปเฉยๆอย่างนั้นแหละถามว่าลูกๆเสียใจไหมเขานิมนต์อัตมาไปในวันชาพนกิจศพสิ่งที่น่าแปลกคือไปเนี่ยอัตมาเห็นแต่รอยยิ้มรอยยิ้มและเสียงโหดราวของลูกๆจะต่างจากงานอื่นๆ น, นะงานอื่น น, นแม่จากไปนี่ร้องไห้อันนี้เห็นแต่รอยยิม้มถามบอกว่าทําไมทำไม มีใครร้องไห้ถบอกไม่มีใครร้องไห้ทุกคนนั้นดีใจไม่ใช่ดีใจที่แม่ตายแต่ดีใจที่ช่วงที่แม่อยู่นั้นได้ช่วยแม่อย่างเต็มที่ได้มีโอกาสทําให้แม่อย่างเต็มที่แล้วเขารู้สึกภูมิใจรู้สึกอิ่มใจว่าเขาได้ตอบแทนพระคุณแม่อย่างเต็มที่ในช่วงระยะเวลาที่แม่เขาป่วยแม้จากไปก็จากไปอย่างสงบ เห็นแม่จากไปด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มถ้าที่ถามตอนนี้นึกถึงขึ้นมาทีไรเขากลับมีความสุขนะนึกถึงการจากไปของแม่เขากลับมีความสุขมีความภูมิใจมีความอิ่มใจเพราะได้ให้กับแม่อย่างเต็มที่แล้วอ้าวถามตัวของโยมเองโยมหลานได้ทาอย่างนี้แล้วหรื อ, อยังในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เราได้ฝึกให้กับท่านได้ออยังถ้าโยมสอน ฝึกให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฝึกเอาไว้สิ่งเหล่านี้จะช่วยท่านได้ในอย่างที่โยมช่วยอะไรท่านไม่ได้คือในอย่างที่ท่านจากไปอันนี้ก็ยกตัวอย่างเคสนี้ก็คือเคสจริงเลยวันนี้พอดีคุณวิรัตไม่มาปกติเขาจะมาประมาณวันอาทิตย์มากับภรรยาอันนี้ก็น่าอนุโมทนาเขาเพราะฉะนั้นโยมฝึกให้เยอะเถอะและถ้าโยมรักปรารถนาดีกับใครขอให้โยมสอนให้ก็ฝึกให้เยอะๆเะมตตากรรมาฐานนี้ เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเขาเองและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวโยมเองเพราะเมื่อเวลานั้นมาถึงใครก็ช่วยใครไม่ได้มีแต่จิตใจของคนคนนั้นเท่านั้นเองจะจากไปได้วภาวะจิตอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกไว้อย่างไรนะอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีงามอีกเรื่องหนึ่งเล่าให้โยมฟังโนะยมบางท่านที่นี้ก็อาจจะรู้จักน่คุณวรัตมีมีใครรู้จักไมเ่เอ่ยอาจารย์รู้จักใช่ไหม รู้จักใช่ไหมเขาจบวิศวะทําตอนนี้ทําพวกซักละซักซักแห้งอยู่ที่ในตัวเมืองนคปรปฐมนะบวชอยู่ที่บวชอยู่ที่นี่เนี่ยแะถ้าใครมาทําบุญที่วัดอาจจะเคยเจอนะอายุเยอะและอายุค่อนข้างเยอะสี่สบกว่าตอนสี่สิบสี่สิบสามสิบสี่อันนี้ก็เล่าให้โยมฟังนะเพราะฉะนั้นให้โยมฝึกเอาไว้ถ้าปริรานะดีกับคุณพ่อคุณแม่สอนให้ท่านฝึกตอนที่ท่านยังมีเรี่ยวแรงยังมีกําลังเนี่ยแหะ ไม่เช่นนั้นตอนที่ป่วยหนักไปสอนท่านตอนนั้นอาจจะไม่ทันละเข้าใจนะประการที่สิบเอ็ดนะเมื่อไม่บรรลุถึงคุณธรรมเบื้องสูงย่างต่ำก็จะบังเกิดในพรหมโลกคือถ้ายังไม่ได้บรรลุพระอระหันต์อันเป็นคุณเบื้องสูงยิ่งกว่าเมตตาฌานพอเคลื่อนจากมนุษยโลกก็จะเข้าสู่พรหมโลกทันทีเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น อันนี้กรณีของคนที่เมื่อขณะใกล้ตายหลับตาเข้าเมตตาฌานลับตาเข้าเมตตาฌานถ้าพิจารณาแล้วจิตยังไม่ดุจพ้นยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ถ้าตายไปในขณะที่จิตอยู่ในเมตตาฌานเขาย่อมไปเกิดเป็นพระพรหมคือบังเกิดในพรหมโลกนั่นเองนี่คืออนิสงส์สิบเอ็ดประการที่ผู้เจริญเมตตาเป็นปกติย่อมได้รับ อนในสองสิบเอ็ดประการนี้โยมจะไม่ได้รับถ้าโยมเกิดความโกรธเกิดขึ้นโยมคิดว่าคุ้มค่าไหมละ่ะกับการที่ไปโกรธคนอื่นหรือคิดีปแคล้งกดแคล้งคนอื่นกับการสูญเสียอนในสองทั้งสิบเอ็ดประการนี้อะไรดีกว่ากันไปแก้แค้นโกรธึืนโกรธขึ้นเขาแล้วไปแก้แค้นเขาไปทําร้ายเขาและโยมไม่ได้รับอนิสองสิบเอ็ดประการเหล่านี้หรือไม่โกรธเขาให้อภัยเขาแล้วแผ่เมตตาฝึกแผ่เมตตาให้ได้จิตเราอยู่กับภาวะดีงาม อานนี้สองสิบเอดประการสิบเอ็ดประการนี้จะอยู่กับโยมโยมเลือกเอาเองกันแล้วกันนะถ้าโกรธแค้นมันจะได้สิ่งที่เป็นตรงกันข้ามหลับก็เป็นทุกข์ตื่นก็เป็นทุกข์นอนก็ฝันร้ายจริงไม่จริงลองดูก็ได้นะวันไหนโกรธเยอะๆเนะี่ยยิ่งใครดูข่าวการเมืองเยอะสังเกตเองกัแล้วตานนะเ <laughs> สร็จแล้วลเป็นยังไงทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างอีกใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายใช่ไหม พอจิตโกรธแค้นอย่างนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้เราก็ไม่ได้แผ่เมตตาให้อัตมนุษย์ดีไม่ไดีไปพานเอานู่นเลยโอ้เทวดามันพรหมนั้นไม่เห็นจะดีเลยไอคนทําชั่วอยู่อย่างนี้ทำไมไม่ยอมลองโทษทานไปโกรธเทวดามันพรหมอีกแล้วท่านจะเอ็นดูเราไม่เล่าใช่ไหมตามมาด้วยอะไรพอโกรธแค้นเข้าเป็นยังไงเอง่ยก็ต้องหาทางทำร้ายหรือไม่ก็พูดเหน็บแนมกันคราวนี้พอคิดโกรธแค้นกันคราวนี้สัตตาอาวุธลยาพิจตามาอีกใช่ไหมใช่นั่นแหละ การทำร้ายการบิดเบี้ยงกันก็จะตามมาอีกใบหน้าตอนนั้นเป็นยังไงผ่องใสไหมตอนที่โกรธไม่ต่อให้แต่งหน้าสวยแค่ไหนหน้านิ้วคิ้วขมวดตีหน้ายากอย่างนั้นด้วยอารมณ์โกรธมันดูยังไงก็ไม่สวยแล้วอย่างนั้น่ใช่ไหมใช่ใบหน้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตไม่สงบตั้งมั่นแต่ขุนมัวซัดสายอยู่ตลอดใช่หรือไม่ใช่นอกจากนั้นแล้วในขณะที่โกรธอย่างนั้นเนี่ยมันร้อนอยู่ตลอดจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ยาก โยมลองสังเกตเองกัแล้วกันจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นบ่อยๆโยมจะขาดสติโยมจะลืมนึกว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตอะไรสิ่งคือสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงมันก็ไปจมอยู่กับความโกรธแค้นคิดร้ายต่อเขาเนี่ยขาดสติขาดสติถ้าตายไปตอนนั้นไปไหนอบา ย, ยภูมิโกรธมากๆนี่นรกเลยนะเพราะมันร้อนตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ใช่ไหมใช่ ไอ้โอกาสที่จะไปเกิดบนพรห ม, มโลกหรือเป็นอริยะบุคคลไม่ต้องพูดถึงละมันมีแต่ลงอบายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอานในสงสองสิบเอ็ดประการไม่ได้ซ้ำร้ายได้ในทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมใช่ลองสังเกตเองกันแล้วกันเพราะฉะนั้นครวรหรือไม่ที่เราจะโกรธครวรหรือไม่ที่เราจะรักษาความโกรธและผูกโกรธเอาไว้ครวรหรือไม่ครวรไม่ครวรหายโกรธเรืยอย่างคราวนี้ นะบางคนหายโกรธแล้วนะดีแล้วถ้าหายโกรธแล้วก็จบได้แล้วสิ <c oughs> แต่บางคนบอกแม้กระทั่งอย่างนี้แม่นึกขึ้นมาอีกมันก็ยังโกรธอีกนะแสดงว่าโกรธมากอาฆาตมากนะอาจารย์สมัยก่อนก็เห็นใจนะอันนี้ไม้ตายแล้วนะให้ลองไปทำดูนะถ้ายังโกรธอยู่จริงๆอยากให้โยมลองไปทำดนะูไม่ว่าใครตอนนี้จะเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลักสีลองไปทาดูเลยนะลองไปทาดู ไม้ตายเลยอันนี้นะวิธีการอย่างที่สิบประการสุดท้ายอุบายในการรัรบความโกรธก็ด้วยการให้ปันสิ่งของให้ปันอย่างไรพึงให้ของของตนแก่คนที่เราโกรธหรือคนที่เป็นคู่เวรอย่างสมัยก่อนเนีย่ยเป็นพระโกรธกันเนี่ยนะท่านจะแนะนำให้เอาบาตรที่ตัวเองใช้อยู่ไปให้กับองค์ที่เราโกรธและรับเอาบาตรขององค์ที่เราโกรธนั้นมาใช้ ไอ้แรกๆเนี่ยเวลาคนโกรธกั น, เ, นเห็นของของคนที่เราโกรธเป็นยังไงมันก็จะโกรธแต่ถ้าเป็นของใช้ที่เราใช้ประจํามันจําเป็นต้องใช้อย่างบาทเนี่ยได้อะไรเอ่ยพระจะได้ทานอาหารก็เพราะบาทใช่ไหมกินอาหารก็กินในบาศนะครั้นี้มันก็จะเปลี่ยนละผูกใหม่แล้วใช่ไหมพวกใหม่คืออะไรเอ่ยบาทอิ่มท้องมีความสุขแล้วมันก็จะผูกไปกับ โอบาทนี้ได้มาจากบุคคลคนนี้บุคคลคนนี้มีความเพื่อปวนกับเราด้วยที่ว่าเขาให้บาทกับเราอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราเอาของไปให้เขาแลกของกันใช้เราได้ใช่ของนั้นของนั้นเกิดประโยชน์เราก็จะเห็นถึงประโยชน์ของของนั้นเมื่อเห็นประโยชน์ถึงของนั้นเราก็จะเห็นประโยชน์แล้วก็จะคลายความโกรธของบุคคลที่เป็นเจ้าของของนั้นเพราะของนั้นทําประโยชน์ให้กับเราใช่หรือไม่หรือถ้าเรารู้ว่าเขากําลังอยากได้อะไร ให้เราซื้อของสิ่งนั้นไปให้เขามันจะเป็นปกติธรรมดาใช่ไหมเรากําลังอยากได้อะไรมีคนหนึ่งบอกเออได้ยินว่าเธออยากได้สิ่งนี้อา้าวฉันให้เธอนะยมรู้สึกยังไงกับเขาไอ้ที่เคยโกรธมาเป็นยังไงมันหายหมดเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นตน้นะก็สมดังที่พระพุทธพระโบราณอาจารย์ท่านประพันธ์เอาไว้อย่างนี้ว่าการให้ปันเป็นอุบายทรมานคนพยศให้หายได้ การให้ปันเป็นเครื่องบรรดาลให้ประโยชน์ทุกๆอย่างสำเร็จได้ผู้ให้ปันย่อมฟูใจขึ้นฝ่ายผู้รับปันย่อมอ่อนน้อมลงทั้งนี้ด้วยการให้ปันด้วยวาจาอ่อนหวานเป็นเหตุฉนิเพราะฉะนั้นโยมลองทดลองดูนะอย่างตอนนี้น่าเสียดายอุบายในการรักษาความโกรธอย่างสุดท้ายเนี่ยจริงๆอยาสนับสนุนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะชาเกินไปหรือเปล่า จริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ว่าฝ่ายแดงฝ่ายหลากสีฝ่ายเสื้อสีอะไรก็แล้วแต่อย่างฝ่ายแดงที่ประท้วงตอนนี้เนี่ยคนต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆเขมีน้ำจิตน้ำใจน้ำจิตใจเข้าดีเออทำไมเราไม่ทาไมเอาของไปให้แต่ทหารล่ะทำไมไม่เรียกเข้ามากินด้วยกันกับเราเอาของไปให้เขาด้วยสิมันจะพลิกทันทีเลยนะจีมลองสังเกตดูนะ แต่ที่เวลาโกรธกันเนี่ยมันมันข้ามตรงนี้ไปไม่ได้ไงลองข้ามไปให้ได้สิข้ามไปให้ได้เราเห็นเา้าโอ้ตอนนี้เขาคงจะกินอดอยากแล่าซื้อข้าวซื้อของเสร็จมาทหารอมาฝ่ายแดงมาหลักสีมากินด้วยกันเรียกเขามากินด้วยกันเลยนะไอะเย่เย่อในดาดากันอย่างเงี้ยเอ้ยมากินข้าวกินข้าวเดี๋ยวค่อยมาด่ากันต่อมากินข้าวด้วยกัน ซื้อแล้วเอาไปนั่งกินให้ด้วยกันระหว่างนั่งกินนั้นไม่ต้องไปคุยเรื่องการเมืองมาจากไหนลําบากไม้ขาดหรืออะไรเ อ, อ่เราจะได้ช่วยเหลือกันมันจะคลายความโกรธคลายความรู้สึกเป็นฝกักเป็นฝา่ายแล้วก็ตรงกันข้ามกันออกไปได้นะอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังคราวที่แล้วอาตมาไปเจออีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งน่ารักมากนะชื่อคุณอะไรนะคุณกุ้งหรือชื่ออะไรเนี่ย เขาทำเป็นบล็อกเอาไว้เขาไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลพระมงกุฎทหารก็เขียนฝากข้อความมาถ้าใครอยากได้ชื่อเว็บไซต์นี้เดี๋ยวมาถามอาตมาอีกทีหนึง่งนะเดี๋ยวจะบอกชื่อเว็บไซต์ให้นะแล้วมันเป็นข้อความที่อ่านแล้วเนี่ยมันทราบซึ้งในน้ำใจของคนไทยที่มีต่อคนไทยด้วยกัน แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าอาตมายังอ่านไม่เจอยังหาไม่เจอว่าคนกรุงเทพไปแสดงออกซึ้งน้ำใจน้ำใจกับคนฝ่ายเสื้อแดงที่ได้รับปาดเจ็บนะบางคนอาจจะบอกไม่กล้าเข้าไปเยีมเข้าไปเถอะเข้าไปเยี่ยมเค้าแล้วลองถามเขาสิมาจากไหนปาเจ็บมากไม้มไม่ต้องไปคุยเรื่องการเมืองมันจะได้ความซาบซึ้งใจขึ้นมาและตรงนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง การแก้ปัญหาตอนนี้ไม่ใช่การสลายการชุมนาเหลืออะไรทั้งสิ้นนะจําไว้นะเวนระ ง, งับได้ไม่ได้ด้วยการจองเวนยิ่งทําร้ายเขายิ่งจองเวนอันนี้เป็นหลักทั่วไปอันนี้ที่ธรรมาพูดนี้เป็นหลักทั่วไปไม่เกี่ยวกับการเมืองในตอนนี้เลยแต่ถ้าเราให้อภัยช่วยเหลือเขาดูว่าเขาเดือดร้อนที่ตรงจุดไหนแล้วเราช่วยเหลือกันตรงนี้เนี่ยมันจะระ ง, งับได้แล้วก็มาจะยั่งยืน ความผูกแค้นความผูกอาฆาตความคิดเอาคืนมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราช่วยกันนะถ้าเราช่วยกันในสังคมไทยเนี่ยต้องช่วยกันอย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเราช่วยกันถ้าช่วยกันอย่างนี้เนี่ยคนที่เข้าใจผิดพอเห็นคนอื่นมีน้ำจิตน้ำใจต่อเขาอย่างนี้เป็นยังไงเอ่ยเขาจะเริ่มได้สติไม่งั้นโดนเขาคนอื่นพูดกรอกหูเป็นประจําอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รับข้อมูลฝ่ายอื่นเลยมันก็ยิ่งแย่ ใช่ไหมใช่อ้าวก็ช่วยให้เกิดปัญญาสิเหมือนอย่างพญาช้างฉัตรทานหรือเหมือนอย่างพยาวานนท์นั่นเจริญวัตรของพระพุทธเจ้าฉันนั้นก็ฉันนั้นหนึ่งด้วยกว่าตั้งจิตตั้งใจไม่ตาประทรานดีกับเขานะไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะในที่นี้อาตมาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดทั้งสิน้นขอให้ทําเป็นตัวตั้งไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะเอาละเราเป็นคนไทยด้วยกัน เคยเป็นญาติพี่น้องกันมาเมื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่มีอะไรตรงนี้เนี่ยเราเองก็ช่วยเหลือกันไม่ใช่หรืออ้าวแล้วตอนนี้เพียงแค่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้จะมานั่งเถียงมานั่งคิดคล้ายกันทําไมมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันส่วนคนที่ปรับไม่ได้นั่นก็จะได้แยกคนกลุ่มนั้นออกไปซะนั่นคือพวกที่เป็นปัญหาจริงๆก็อาจจะต้องมีมาตรการหนึ่งสองสามสี่ในการที่จะช่วยแก้ไขเขา แต่คนส่วนใหญ่ที่หลายๆคนที่เขาไม่ได้มีความคิดรุนแรงอะไรแบบนั้นเราจะดึงคนกลุ่มนี้เราจะช่วยคนกลุ่มนี้ออกมาได้ใช่ไหมใช่ปัญหามันจะได้น้อยลงอีกอย่างหนึง่งเวลาเขากลับไปต่างจังหวัดเข้าไปพูดจะให้เขาพูดถึงคนกรุงเทพว่ายังไงล่ะโอ้โ oh, หเจอมันนะมันเอาแต่ดา่ามันเอาแต่เคี่ยงขวดใส่มันมีแต่คิดร้ายลุมทาลายฉัน หรือจะให้เขากลับไปพูดว่าโอ้ตอนเข้ามากรุงเทพคนกรุงเทพมีน้ำใจนะเขาเองก็มาปรับทุกขว่าเนี่ยเราเข้าไปประท้วงเราเข้าไปอันนี้เขาก็ขาดรายได้เขาเองก็เห็นใจเราที่เรายากจนขาดรายได้ถ้าอย่างนี้เวลาเข้าไปคุยอย่างนี้เนี่ยคิดว่าต่อไปเขาจะเข้ามาทําความเดือดร้อนให้กับเราอีกไหมแต่ถ้าตรงกันข้ามล่ะโอ้เข้าไปนะมันโกรธแค้นกันมากแต่มันตีเรานะข้าวน้ําสักแก้วมันก็ไม่เคยเอามาให้ดื่มมีแต่ด่าเรา อย่างนี้เวลาเข้ากลับไปบ้านคุยอย่างนี้เนี่ยคนในตงจังหวัดเขาหรือคนต่างจังหวัดเขาจะทํำยังไงถ้ามีการประท้วงครั้งต่อไปเห็นไหมมันไม่ได้แก้ปัญหานะหนักขึ้นไปกว่านั้นถ้าบอกว่าโอ้เข้าไปนะไอ้เราก็ประท้วงกันอย่างสงบมันอาจจะมีคนที่เป็นคนก่อเหตุอยู่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ไม่ได้ทําอะไรแต่กลับโดนลูกหลงไปด้วยโดนคนอื่นโดนเขาตีไปด้วยโดนเขายิงไปด้วยครั้งนี้เขาออกไปพูดอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้น มันยิงก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นใช้ปัญญาเห็น อ, อกเห็นใจช่วยเหลือและตั้งเจตนาที่ดีให้กันตรงนี้แหละมันจะแก้กความบาดหมางได้อย่างแท้จริงเพราะฉอย่างที่อาตมาได้เน้นย้ำไว้เสมอว่าศัตรูที่แท้จริงของพวกเราไม่ใช่กลุ่มเสื้อสีอะไรทั้งสิ้นแต่คือกิเลสที่อยู่ในใจของพวกเราทั้งหมดนั่นแหละ นั่นแหละคือศัตรูที่แท้จริงสิ่งที่ทําให้เกิดความบาดหมางขึ้นในสังคมในปัจจุบันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คือกิเลสที่อยู่ในใจของคนไทยทุกคนนั่นแหละมันจึงทําให้เขาเห็นแก่ผลประโยชน์จึงทําให้เกิดการยุยงทําให้เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาได้จึงทําให้เขาไม่สามารถมองได้ตามความจริงทําอย่างไรเราจะแก้ตรงนี้ให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจให้เขาตั้งเจตนาที่ดีต่อกัน แล้วก็มีการช่วยเหลือผือแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันเราทำตรงนี้เท่ากับเราปฏิบัติทาไปในตัวนะเยอมเอาข้าวของไปให้เอาข้าบภัยแบ่งปันไปนั่งกินกับเขาเนี่ยนั่นแสดงว่าโยมกำลังให้อะไรเอ่ยให้ทานยมพูดคุยกับเขาด้วยความรักความปรารถนาดีฟังความเดือดร้อนของเขาเล่าความเดือดร้อนของเราให้เขาฟัง น่ามาช่วยกันว่าจะทํำยังไงดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคุยเรื่องการเมืองเรื่องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาว่าเราแค่นี้เราจะช่วยกันยังไงไม่คิดร้ายกับเขาไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนแต่คิดช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่เท่ากับเรากําลังบําเพ็ญศีลเจตนาที่ดีนั่นคือสมาธิคุยกันให้เขาเห็นทุกแง่ทุกมุมนั่นคือทําให้เกิดปัญญานี่ไงทานศีลภาวนา ฝากไว้สําหรับญาติโยมนะถ้ามีโอกาสนะอันนี้จะช่วยประสานรอยร้าวได้ยอย่างแท้จริงนะอย่างมัวแต่ไปนั่งเชียรเย์เลยว่าเอาฝ่ายนั้นลงให้ได้อีกฝ่ายหนึ่งเอาฝ่ายอี ก, อกฝ่ายหนึ่งลงให้ได้นั่นยิ่งสร้างความแตกแยกนะเหมือนกับเพื่อนเราสองคนทะเลาะ ก, กันนะถ้าเพื่อนเราสองคนทะเลาะกันเราไปเข้าข้างฝ่ายหนึ่งไม่เอาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อนของอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะเป็นยังไงไอ้เพื่อนที่เรารักะแต่ว่าเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งจะเกิดความรู้สึกยังไงกับเรา แล้วต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มเพื่อนทั้งหมดแตกหมดอะ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเรื่องที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเอาไว้ก่อนเรามาคุยกันเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนไปเที่ยวด้วยกันก่อนก็ได้ให้สบายใจแล้วค่อยมานั่งคุยกันอีกทีนึงเอาเรื่องที่บาดหมางมาเอาลเอาไว้ก่อนให้อภัยกันสักแน่ๆก็เป็นเพื่อนกันเรามองไปที่ข้างหน้าดีกว่าไม่ต้องไปมองที่อดีตละมองไปที่ข้างหน้า เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเราจะช่วยกันอย่างไงจะได้มีความสมาร์สมาสามัคม ค, คีไอ้ถ้าอย่างนี้แล้วก็กลุ่มเพื่อจะยิ่งรักกันยิ่งสนุกกันมากขึ้นใช่หรือไม่ฉันนี้ก็ฉันนั้นกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราในปัจจุบันนะอ้าวก็ฝากเอาไว้เพราะว่าเป็นเรื่องของอุบายแระดับความโกรธซึ่งมันพอเหมาะพอดีกับในเรื่องของสภาพบ้านเมืองของเราในปัจจุบันเหตุการที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดร้ายไม่ว่ากับฝ่ายใดทั้งสิน้น ใช้ปัญญาพิจารณาเขาเองก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องถ้าเขาเดือดร้อนเขาถูกทำร้ายพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาย่อมเกิดความโกรธเคืองเราเองก็มีญาติพ่อแม่ญาติพี่น้องถ้าเราถูกทำร้ายพ่อแม่ญาติพี่น้องเราก็ย่อมโกรธเคืองอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเมื่อไหร่มันจะจบมันก็จะจองเวรกันไม่มีวันจบทิ้งทิ้งความบาดหมางซะ ทิ้งซะจะให้ใครเป็นนายกไม่ให้ใครเป็นนายกนายกทิ้งซะเอาแค่ว่าพวกเราแค่นี้แหละอยู่ร่วมกันยังไงจะได้มีความสุขคิดแค่นี้พอละเอาตั้งต้นแค่นี้ก่อนเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ค่อยมาดูกันจะเลือกสสยังไงจะเลือกระบอบการปกครองอะไรยังไงจะดีที่สุดสำหรับทุกๆคนจะได้ไม่เป็นเครื่องมือของใครนะก็ฝากไว้สําหรับญาติโยมทุกๆคนนั้นอุบายเรับความโกรธสิพิธีนี้ทุกครั้งที่ดูข่าวให้เอามานั่งท่องไว้ว่าไงเอ่ย วิธีที่สิบก็คือการให้ปันสิ่งของไงข้อเก้านั้นอ๋ออ้าเปิดข้ามไปอีกหนึ่งแล้วนี่อ้าขออนุโมทนาด้วยข้อที่เก้าคือพิจารณาแยกธาตุนะพิจารณาแยกธาตุอ้าขออนุโมทนาด้วยกลายกลายเป็นอาตมานั้นเปิดข้ามไปเมื่อกี้กระดาษมันติดกันไปนิดหนึ่งนะข้อที่เก้านะคือพิจารณาแยกธาตุ มองคนเป็นเพียงแค่ธาตุสีเข้ามาประกอบกันแล้วถามตัวเองว่าเราจะโกรธอะไรโกรธธาตุดินธ า, าตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือหรือโกรธแสงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดอันนี้คือพิจารณาแยกธาตุประการที่สิบก็คือด้วยการให้ปันสิ่งของเพราะฉะนั้นฝากไว้สาหรับญาติโยมทุกๆคนนะเพราะฉะนั้นให้มองเขาในฐานะ เป็นกระแสธรรมชาติอย่าไปติดว่าคนนั้นคนนี้กระแสธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้เสมอคนก็เปลี่ยนแปลงได้เสมออยู่ที่เราจะสร้างเหตุปัจจัยให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะอ้าวกนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเกินเวลาไปละนะก็คงจะขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะฝากโยมให้เอาไปประพฤติปฏิบัตินะสิบข้อนี้นอย่างน้อยที่สุดท่องให้ได้ทั้งสิบข้อว่ามีอะไรบ้าง เกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเอามานั่งท่องเลยท่องแล้วนึกตามท่องแล้วนึกตามนะถ้าท่องได้ครบสิบข้อลองสังเกตนะมันลืมไปแล้วว่าโกรธเรื่องอะไร <c oughs> หายโกรธไปโดยอัตโนมัติน ะ, จะเจริญต่อนะอ้าวนะมันวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็เอาไว้แต่เพียงเท่านะลำดับต่อไปเชโยมอา่านแผ่ไม่ตาแล้ว่า้พระสวดมนต์